พรบจันทร์ทองครับ ม, มีมีคำถามอะไรมั้ง พูดคุยกันมีไหมมีใครมีอะไรค้างคางใจ เปมันยาวเลยครับที่บอกมองกายภายในภายนอกเป็นยงไงครับมดกัดก็ข้างนอกเนาะปวดท้องก็ข้างในเนาะเมกันมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรามีร่างกายนะมันก็มีทั้งส่วนข้างนอกส่วนข้างในใช่ไหมครับ มีเรื่องที่ที่เกิดขึ้นหลายหลายอย่างใช่ไครับ <ali> <c ười> รงนีคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าหลังถ้าเราแยกแยกเนาะถ้าเราแยกแย ก, แยกเหมือนกับว่าชัดเจนนะครับพอเวลาที่เราเห็นเหตุนะที่เกิดขึ้นชัดเจนเราก็จะแก้ไขสิ่งที่ก็เรียกว่า <vars> <c ười> สิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีนะครับอย่างนี้ คือตรงเนี yours, like ้ก like hmm. you know? like, ็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมกันเราก็จะให้น้ําหนักกับตรงนี้เยอะด้นะครับเพื่อความไม่สับสนเป็นอะไรเพื่อให้เราได้เหมือนกับได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่ที่เกิดขึ้นกับตัวมัเองอย่างสมมุติหากแล้วก็มองนะครับอย่างลมพิษเกิดขึ้นเนี่ยนะใช่ไหมครับลมคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง มันเกิดจากการที่มันมีปิกเข้าไปในร่างกายเราแล้วร่วางกายเราก็ขับพปีกมันจะเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อครันะรง้งหนึงงน่งหลวงพ่อเคยไปกินเขาเรียกว่าไปกินหลังพึ่งนะครับหลังพึ่งหวนออกชาวบ้านก็จะเอาหลังพึ่งหวนอองานออนที่เปนตัวนของมาปีกให้ะะรนะเราบริโภคก็แบบปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว้า มันเป็นความผิดปกติเกิดขึ้นในทันทีที่ต่กมต่อมไปลหลังจากนั้นเนี่ยต่อมต่อมไปพวกเน็่ครับมันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือก็กระบวนการย่อยใช่ไหยครับก็เกิดขึ้นกระบวนการดูดซึมันก็เกิดขึ้นเมื่อดูดซึมเข้าไปอาหารเนี่ยมันก็จะเข้าไปป่าด้วเยเลื่อดเป็นมอสพอมันเข้าไปถึงระบบเลือดใช่ไหมครับร่างกายเราเห็นสิ่งแบบปลกปลอมเนี่ยร่างกายเราก็ดับ ลนะแล้วนั่นคือเมื่อร่างกายดันออกมากนะจุดสุดท้ายที่ร่างกายก็จะปรากฏก็คือลมพิษจะมาปรากฏที่ผิวเราใช่ไหมครับ เ, เมื่อลมพิษมาปรากฏที่ผิวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอันนี้มันเกิดสิ่งที่ <c oughs> ปิ้วมาจากข้างนอกแล้วทำให้เกิดตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเข้าใจแบบ น, นี้เนี่ยลมพิษก็คือลายทางแล้วเดี๋ยวเ้าก็ไปละใช่ไหมครับอย่างนี้อันนี้เวลาที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องพนี้น ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่เกิดร้อนอ น, อนั่นเลยมากเนาะใช่ไหมครับวันนี้คือมัอนเหมือนกับว่ามันเป็นปลายทางสำคัญแล้วร่างกายจัดการเรียบร้อยอีกเดี๋ยมันก็ห่างทางไทยนะครับ เ, รเขาก็ก็เรียกว่าวิธีแก้ลมพิษเนี่ยทางไทยเขาใช้วิธีจิตวิทยาใช้วิธีจิตวิทยาในการที่เขาจะใช้ใบพลูกับเหล้าขาวเนาะสองอย่า ง, างาาานะครับมันแก้ไขอาการลมพิษนะครับแก้ได้ยังไง ใบครูเนี่ยจะเารียกว่ามีฤทธิ์เป็นยานชาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็จะผสมใบลงตำตำแล้วก็เอาเล้าขาในกะารัผสมแล้วก็มาทานะพอเวลาที่มาทากันเราเนี่ยใบพรูก็ท า, าหน้าที่ทาให้อาการคันเนี่ยันหายไปใช่ครับความเย็นที่เกิดจากการระเหยข อ, องแอกออลเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าโลงพัดมาแล้วก็รู้สึกเย็นๆสบายดี นะครับไม่ยคืนให้เราเบรความสนใจไปซะไม่ต้องกินยาแอนตี้ฮิสโทนินเพื่อให้กลุ่มมันหาไปเลยใช่ไหมครับเนะี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าเวลาที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นกับรา่างเนยะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ดียังในใจก็เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าใจรับนะครับพระจะโ น, น, น้มะ น, น, นะครับมาจากที่ปากที่ว่าใจรับแก้วใช่ไหมครับ น้ำส้มก็ไปในนั้นก็เกลียยวนะใส่น้ำหวาขก็ไปในนั้นก็หวานน่งใจเราก็เป็นผ่านชนะอะไรควพอมีอมารมณ์อะไรผ่านเข้ามาใช่ไหมครับถึงมาใจเราก็ไรับถูกความโกรธข้างําเนี่ยใช่ไครับเราก็ใช่ไหมครับจิต ใ, ใจเราก็เหมือนกับว่าถูกความโกรธข้นนางํา ม, ม, มันก็เหมือนกับใจเรโกรธใช่ไหครับแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ย ใชไมครับเหมือนเวลาเราเทน้ําแก้วในน้ํำทิงไปเราใส่น้ําใหม่เข้ามาความโกรธมันก็หายไปหมดไปเป็นแบบนั้นความโกรธที่มันผ่านมานะครับสักเดียวเียมันก็ผ่านไปแล้วอารอื่นก็ผ่านเข้ามาใมะนั้นเพราะนั่นคือใจในใจที่เราที่เราสังเกตอยู่นีนะ่ยมันจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นความเป็นจริงแบบนี้ใจมันก็เป็นใช่ไหมครับเป็นเหมือนภาชนะว่างๆอันนี้ ที่เดียืนผ่านเขอามาอยู่แล้วก็เขาก็ผ่านมาช่วงทางแล้วเขาก็ออกไปเดี๋ยวก็มีอื่นเข้ามาเข้ากผ่านออกไตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราถ้าเราได้เห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะวางใจตังครับวางใจนะบางทีความยากผ่านเข้ามาก็แบบว่าอดทนสั้นีดเป็นเดี๋ยวความยาวก็ไปมันอยู่ไม่นานหรอกเชินท่านอย่างที่ มันจะโน่นกับนั่นใช่มว่าันดูเราดูความอยากซีเดี๋ยวคนทําต่างคนงงเใช่ไหครับเราดูซิอย่างเราดูเราดูซว่ามันจะยังไงมันจะดิ้นรนแค่ไหนตรงนี้ยมันจะไปเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอยนั่นคือตรงนี้ยครับมันจะเป็นสิ่งที่ในการบำเวลาที่เราปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยแล้วก็จะลงรายละเอียดการลงรายละเอียดตรงเนี้ยควมหมายตรงเ น, นีเรามีสตินะครับที่จะคอยดูสิ่งที่เกิดขึ้นเราดูเราก็จะเห็น เราดูไปบ่อยๆแล้วก็เห็นบ่อยๆแล้ก็จะเข้าใจมีข้อมูลมากขึ้นเหมือน<ม>นักสืบนะครับใช่ไหมครับออก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีเขาเรียกมีหลักฐานมีพยานเยอะแยะเนาะใชนไหมเพื่อที่จะตัดสินแต่เวลาที่พวกเราในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีพอเราโวนตัดสินว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โวนอ่ลละใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้มันเป็นความโกรธของเราอันนี้มันเป็น จะได้กับอะไรต่างๆนานาขอ ง, งเราอี้ยคือเป็นอย่างนั้นมันก็นทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องใเรื่องราวต่างๆผิดพลาดนะครับ ตอนนี้หายหรือยัพอไม่ปฏิบัติมันไม่เป็นอะไรคือมันก็ไม่เห็นเครื่องเลยจาปฏิบัติแล้วมันคือเราก็อย่าเป็นโทษนะพอสามีกลับมาบ้านเนี่ยบ้านเนแย่มากเลยอเงี้ยสามีคงไม่อยู่บ้านนะเธอกลับมาบ้านที่ใดนี่ยบ้านเนี่ยมันได้เกลียนตีเลยอย่างเงี้ยลราอย่าไปประเมินอะไรแบบไหนนะคับเรื่องนี้คือเรื่องทางกายเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เรากำหนดไปได้มันไม่ใช่ของเราเราอยากให้เขาหมาันเขาก็ไม่หมันเราอยากให้เขาไปเขาก็ไม่ฝันะครับเราลองสังเกตดูแบบนี้ไม่ใช่ว่าเนี่ยมันเป็นเวลานี้อ่ะใช่เลยอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เราเองสังเกตดูนะอันนี้คือคือสิ่งที่ทัางพูดเลาจะบอกบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับมันเราไม่สามารถเนีร่างกายเราเนี่ยเราบอกว่านี่ ห้ามเขื่อนตาเด็ดขาดนะใช่ไหมครับตาเรานี่ยห้ามเคขื่อนนะมันทําไม่ได้เราหรือม่านี่อย่ามันเลื่อนเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนะให้ไปเลื่อนเวลาอื่นเวลาเขาพงน้ำหง น, นี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปบงการอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่เคขื่อนตาของแค่นาทีสนาทีเท่านั้นนะพอแล้วอะไรเงี้ยอย่าเขืนน่อนนานเกินั้นก็ไม่ได้นะใช่ไหมครับเรือ่องปวดเท้งปวดหัวอะไรอ่างเงียนานๆนั้ น, น, น คือเรื่องพวกนีครับทังพุดเราเนะครับเราจะบอกแบกว่าให้เราคุ้จัดรอได้คอยได้คุ้นจักรอได้คอยได้คือการที่เราเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันเราก็จะปฏิบัติกันเป็นเหมือนอย่างอย่างนี้ว่าจะนั่งเป็นระยะ ไ, งไม่นานใอะไรับก็จเดินเป็นระยะไม่นานเราก็เหมือนกว่าเราจะคุ้นเคยกับการรอได้คอยได้แต่ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยจะต่างกัน โลกเนี่ยเร็วเอาเร็วที่ตั้งต้องเร็วไมกับยิ่งเร็วมากเนยิ่งดียิ่งเร็วมากยี่ขายได้แพงใช่ไหมครับอย่างคือนี่คือทางโลกกับทางธรรมจะต่างกันนั่นคือสมมติถามว่าเราอยู่กับทางธรรมรับเราจะไม่ดลวนละไม่ด่วนปฏิเสธใช่ไหมครับเองอันนี้ใช่เลยก็ไม่ด่วนนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยก็ไม่ดวนแบบนั้นไม่ใช่ไม่ด่วนนะไม่ยุ่งปฏิเสธ เราจะค่อนๆพิจารณาที่สิ่งที่ที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้น น, น, น, นะครับ้คือตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่านั่นคือเนี่ยสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยครูบาอาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นเพียงแค่โชคดามเท่านั้นจำได้ไหครนะับอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ต่างนานาเหานี้ที่ผ่านเข้ามาในใจเราใช่ไหมครับมีไหมนมครับความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมืนเอนกัน้นเอง มีมั้มันจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีใช่ไหมับอย่างนั้นเป็นกระด้างมันจะอยู่สั้นอยู่อย่างอี่เรื่องนี้คือ <c oughs> ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยก็เราก็บบสบายใจได้นะใช่ไหมครับอย่างสมมติาอาการทางกายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ดุมมีคุณแม่บางคนใช่ไหมคราบก็เหมือนกับวิตกว่าลูกจะเป็นอะไรมากมายไปทุกทางอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือบางทีก็ไม่ต้องฉาบปรากฏว่าก็มีคุณแม่คน ลูกนะครับก็เหมือนกันถูกแก้วตัดเท้านะครับก็รีบผ่านไปโรงพยาบาลประโขดมาแก้มตัดเทานะครับก็เสียค่างปรษบัย์ไปสองหมื่บาช่ไหมครับประมาณนี่คือคือด่วนนะครับตกผกตกใจแล้วก็ผ่านลุ่งไปโรงพยาบาลนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่ คือบางทีเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรา ค, อคออ่อยๆมองนะครับค่อยๆดูเรื่ต่างๆเราจะเข้าใจที่มาที่ไปของกันการปฏิบัติธรรมนะครับเราจะไม่ค่อยสังเกตกับการเอนสติเนี่ยเป็นตัวสังเกตความเป็นไปของกายของใจมันเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยๆเข้าใจมากขึ้นคือ <c oughs> คล้ายๆบ้าน เราได้สร้างจากบทส่วบนบทนั้นได้ด้วยกันเมื่อจะเลยครั บ, มมรบเมื่อเราเห็นนะครับความปม่เที่ยของสังขารเนี่ยเราจะก็เรียกว่าเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เราทุกขที่เราลงอยู่นะครับอย่างนี้ยนั่นแหละเป็นทางแห่งกานยึดผานการเป็นธรรมบดจบใช่มครับคือพอเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมื่อก่อนเราคิดทําคิดเอาว่ามันเป็นนัคิดเอาว่ามันเป็นนะอย่านนะี แต่เวลาที่เราปฏิบัติทำเองครับก็เรียกว่าเราจริงเห็จริงๆเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เพียงแค่คิดาำดังทำเท่านั้นเองพอเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นสิ่งที่โอ้เราหลงผิดไปนี่เองใช่ไหมครับเหตุนี้พอเราหลงผิดไปเองเราก็จะเข้าไปเกี่ยข้องกันทางต่างๆอย่างต้องไม่ใช่เกี่ยวข้องอย่างร้องใจนะครับแต <Ready. S 2> ่เกี่ยวข้องอย่างถูกข้องนั่นคือตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าลามนะครับเมื่อนะครับเราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มใช้สติแร้วบางเขียนจะบอกบอกบ้าเรามีสติเป็นนักศึกษาเนาะเรหมนกายมีใจเนี่ยเป็นตํานานนะครับนั่นคือสิ่งที่แสดงออกกับกายกับใจเรานะครับจะเป็นเรื่องราวต่างๆยังไงก็ตามเราก็เหมือนกับค่อยๆเห็นเขาใช่ไหมครับพอเริ่มดูแล้วเราจะค่อยเริ่มเห็นเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เราอยู่ในทางโลกตนะั้งแต่ยั้เตัวเนี่ยเราจะใช้ตาดูฟังตลอดนะครับเราไม่เคยคุณสติเนี่ยมองกลับเข้ามาที่กายที่ใจของเราเราเรียนการยิ้มางก็เหมือนกันนะเรียนกายย้มห้างเราก็เรียนกับใจเส้นผูมใช่ไหมครับมันไม่ได้เรียนสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับใจเส้นผูกอาจารย์แล้นะเรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายของเราจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของมันจริงจริงนี่คือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ย จะได้ความรู้อันรเงี้ยครับจัด ก, การที่เราลองได้ค อ, อยได้ น, น, นะครับจากการที่เราลองโทรนั่งดูสนั่งซิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะรู้นะอย่างหลวงพ่อใช่ไหมครับหลวงพ่อก็เคยเรียนรู้อยากจะเอารู้ตัวเองนี่ยนะก็นั่งนะครับไม่ปะหยัดสักสองชั่วโมงอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับคือเราไม่ได้อยากดี จะเป็นผู้ที่เป็นผู้พิเศษที่ทำได้นะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่านี้อะไรเกิดขึ้นบ้างในสองชั่วโมงคิดว่าลองดูนไม่ตายหรอกลองดูใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนั่งนานๆนะครับใช่ไหรัก็เกิดความเป็นเดินช้างช่ไหมครับเนเกิดขึ้นพอเวลาที่เราก็ลองดูคิดว่าเดินชาาเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนอย่างไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างงี้ยนเราก็ ไม่ทำอะไรนะครับก็อลองดูไปเพราะตัวบ้านเออมันก็เขาเรียกว่ามันก็ดีๆนะครับมันก็หายบ้าไปกับตาเนาะใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับอืมมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคือบางทีประสบการณ์กบบนี้เนี่ยก็เลย้ยงไปถึงเวลาที่บางทีเราขึ้นรถเมลแล้วเราก็ปวดฉี่เนาะใช่ไหมครับนั่นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับว่าจะลงรถเมลก็ ไม่วจะไปเข้าที่ไหนเราจะบอกคนขับรดบอกนี่จอดให้เราทีเราก็ทํามไม่ได้เช่ในครั้งหนึ่งนั้น่อะลรเนี้ยเวลาปวดชีพปวดหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็เคยประสบการณ์แบบนี้ไหลครับปวดมากๆทําไงก็มันไม่มีโอกาสนะก็ะทํำยังไงก็ต้องอัน้นไว้อัอ้นไว้เสร็จแล้วท้ายสเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนก็คงเหมือนกันนะครับก็คือไม่รู้ความปวดมันหายไปไหนเนาะเช่นในคร้งก็ทนได้นะอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรก็ตามเช่นในครั้งหนึ่งที่ <c oughs> คือ มันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งอยู่ระดับใหม่ให้เราได้เห็นอย่างเงี้ยนะ้องใช่ไหมครับอย่างเงี้แต่ว่าทํานองเดินกันอนยะ่างเงี้ยใช่ไหมครับว่ามันเหมือนกับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเราแก้ไขายดูหลักจะแก้ไขายยงานนะังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็แล้วก็ลองดูใหนะม่เนาะเวลาที่เราเป็นเด็กชายนะใช่ไหมครับเราลองขยับสักนิดหนึ่ง <c ười> ใช่ไหมครับเราขยับสักนิดหนึ่งพอเริ่มลงมาได้เดิมนะครับ ให้ความเป็นเด่นชาที่มันเหมือนกับถูกเลือลงมนะันเส้นเลือ่อดถูกกดทับเอาไว้ใช่ไหมครับมันไม่เดินพอเลือดลงมันได้เดินก็ถ่ายลงมนะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยให้เด่นชาก็หายไปคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่พอเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่แบบโตเกิดขอย่างเีน้นั่นก็คือมาเวลาที่สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆหยุอยอยดอย่างเวลาที่ เรานั่งฟังธรรมกันเวลาที่เรานั่งปฏิบัติธรรมกันบางทีเราก็นั่งกันเป็นชั่วโมองกว่าหลวงพ่อก็เหมือนพวกเรามือนกันว่นาเคยมีความตั้เสียงว่าโอ้นี่เมื่อไหร่จะได้ลูกสทีจะนั่งไปถึงไหนกันอะไรอย่งเงีนานๆเนี่ยเมื่อจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจรงคือไม่ใช่ไม่เคยนะครับก็เคยแบบเนี้ยใช่ไหมครับอ่าก็นี่มันเป็นภวลาที่เรามาสังเกตจริงๆใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่า พอเวลาที่เราลองกลับไปอิเล็กโทรนิคเนี่ยใช่ไหมครับเวลาที่เมื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันใช้เวลาในการที่แบบว่าความเมื่อยมันหายไปเนี่ยในเวลาสั้นมากนยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับนราจับเวลาดูไม่ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีครับแล็บหลับอะไรไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันเมื่อจะตายอยู่แล้วทนไม่ได้แล้ ว, ลวอะไรเดินตายนานแล้วนะครับกลายไปว่ามันเป็นเรื่องที่เออ ใช่ไหมคความเมื่อยมันเป็นเรื่องของกายเนาะไอจะตายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของใจนะใจต่างฐานที่ผลไม่ได้ไม่ใช่กายผลไม่ได้ใช่ไหมการอย่างเงี้ยคือพอเราแยกแยกอย่างเงี้ยหิวจะตายอยู่แล้วหนาวจะตายอยู่แล้วร้อนจะตายอยู่แล้วเบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราไม่ได้แยกแยกออกเบื่อจะตายอยู่แล้วนี่มันตายซ้อนๆกันที่ใจสองอย่างนะครับเบื่อด้วยแล้วก็จะตายอยู่แล้วด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยร้อนจะตายอยู่แล้วนี่มันมีเราหลักาทางแก้ทได้นะ ใช่ไหมครับอาบน้ำบ้างเข้าห้องใช่ไหมครับมีแอร์บ้างในต่างต่างนั้นคือตรงเนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบว่าเราค่อยๆเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับการตัดใจเราอย่างน้ครัเราก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจแต่มันก็คือตรงนี้เราจะต้องสิ่งหนึ่งก็คือไม่ด่วนตัดสินกันนะครับไม่ด่วนรับไม่ด่วนจะไป เ, เสียใจลองดูดูก่อนเราดูดูก่อ น, า ก, อนการดูจะทําให้เราเห็นการเห็นมันจะทําให้เราเข้าใจ ความเข้าใจตรงนี้ครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัญญาสัตรงมาไว้แลก็ม่จะทำให้เราเนี่ยหาทางเนี่ยออกจากทุกไม่จะเป็นทุกตัณกายก็ดีทุกตัณใจก็ดีด้านที่ตงไม่ผิดทางานเลยเด็กไก่าเชิน จริงจรริงจริงนะครับเวลาเวลาธรรมะที่พรูบาอาจารย์พูดให้ฟังอย่างก็จะโน้ก็ดีนะครับหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆที่พูดนะครับท่านสายเรานะหลวงพ่อกำเกสกก็ดีก็จะเป็นสั่งก็ดีคือสิ่งที่พูดนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเนาะใช่ไหมครับจะไปพูดอะไรที่มันนอาเหนือจากนี้เท่าไหร่นะครับ จะพูดในวิธีการปฏิบัติสองพูดถึงของการปฏิบัติอย่างนี้นะครับอาจจะพูดล่วงหน้าไปเพื่อให้เราเหมือนกับว่าถ้าพวกเราปฏิบัติ ต, ต่อไปพวกเราจะได้ไปพบไปเจออะย่างนี้ในการนี้ก็จะพูดในเรื่องแบบนี้นั่นก็คือตรง น, นี้นะครับมันจะต่างกันทําโลกนทะางโลกเราเนี้ยใช่ไหมครับฝังเนี่ยเข้าใจหรือยังไอที่มันจะเข้าไปในใจจริงจริงมันไม่ได้เกิดจากการฝังมันมาเจอจากจจาการที่เราปฏิบัตินในครับอย่างนั้น แต่ว่าทางโลกมันจะเอาจริงเอาจริงเกันการฟังนะครับจะเรื่องการฟังกันอ่านที่ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติมันเป็นเรื่องการฟังการอ่านเสรแล้วท่าสุดจะมาเป็นการโผลคิดให้เข้าใจตรงนี้เป็นสิ่งที่ต่างกันทางธรรมเราะจะปฏิบัติให้เข้าใจคือทางธรรมเราเรียกว่าเราจะเชื่อการปฏิบัติไม่เชื่อความคิดเพราะความคิดเนี่ยถ้าตั้งแต่ได้เกิดตัวเนี่ยคิดผิดมาทนนั้งแตนรังบ้าละ ถ้าถูกกันท่าถูกห่วยละซื้อสิบไปก็ถูกหวยสร้ส ง, ส ง, งเรื่องหล่ักก็แม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะเพราะนั่นก็คือตรงเนี้ยเราจะเชื่อ ก, กันกันทงแต่ว่าคนทั้งโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อความคิดจะเชื่อความคิดนะเราจะเรื่องเกี่ยวกับพเมานที่เราเชื่อความคิดเนี่ยบางทีเราก็ ม, มักจะทำอะไรที่ไม่สมควรเพราะว่าไม่คือมัญหาจจะไม่สอดคล้องกับตัวเราไม่สอดงกับคนสื่นไม่สอดคล้องกับสถานการต่างๆ นันคือตรงเนี้ครับว่าเราทำโลกมาทํางธรรมเราจะเหมือนกันว่าเราเราจะทําสิ่งที่ต่างกันเพราะว่าเราจะค่อยๆเข้าใจธรรมเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนขึ้นเข้าใจเข้าไปในใจเราเนี่ยอย่างชัดเจนขึ้นต่อเม<ช>่ว่าเรา<ช> <ๆ S 2> ัป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่นคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังธรรมนะครับการที่เราด้วยหุ่นสร้างจังหวะอยู่เราก็าเหมือนกับว่าใจของเราเนี่ย นะั้ตอนนั้นถ้าเกิดว่าใจของเราตั้งใจอยู่ก yeah ับการเคลื่อนใหม่ของกายเป็นที่ตั้งนะฮะใจเราก็จะฟังเป็นเรื่องหอกถูกไหมครับพอมื่อฟังเป็นเรื่องรลอกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดูละครอย่างเงี้ยเดี๋ยวรี่ดภาพไปเอาหรือมองบางทีเดี๋วรีดภาพไปหรือมองบางทีบที่เราก็ไม่ค่อยต้นใจ้ะละครต้นแสดงอะไรใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตั้งใจความเรื่องนี้มากกว่าแต่ใต้องเดียวกันเนีเวลาที่เราแม้บางทีเวลาที่เราตั้งใจฟัง เมื่อที่เราตั้งใจฟังต่างๆก็ไม่ใช่ว่าใจของเราเนาะมันจะตั้งอยู่กับการฟังได้ตลอดอีกเหมือนกันเพร า, าะเ ม, นะม่อใจเรา็จะั่วแว๊ไปเนาะใช่ไหมครับอย่างนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเวลาที่เราหัดอย่างที่เราบอกหัดเจริญสติหัดคอยรู้สึกตัวว่าเมื่อการเคลื่อนไหวใจมันคอยนะรับรู้นะแล้ก็มีสติคอยดูใจที่เหนอที่คิด ไ, มไหมอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราตั้งใจฟังเราเห็นใจเผนื่อยที่คิดเราก็ผ่านใจกลับมาได้ง่าย น, นะใช่ไหมครับอย่างเนี้ย มบอกให้ฉลาดให้เราแบบตั้งใจฟังก็เหมือนกับเราเข้าใจได้ดีขึ้นแต่ําเนินในกะากการเข้าใจตรง น, นั้นน่ะมันจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆเ ม, มือ่อเราปฏิบัติไปถึงตรง น, นั้นบางทีนะครับหลวงพ่อชาจะบอกผ ว, ว่าหัวเราเนี่ยไม่ต้องจํานะแต่บนหัวมันเหมือนเทปที่อัดเอาไว้ไั้อัดเรื่องราวต่างๆไว้ได้เมื่อพอเวลาเราปฏิบัติไปถึงนั้นโอ้นนะัมันนั่นเพอมาอาจารย์ว่าเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้ยคําว่า โออย่างนั <pouch> oh, to, oh, ้นน so like ี่เองโอ้อย่างนั้นนี่เองเนบางทีมันจะเกิดขึ้นมาจากสถานวะที่เราปฏิบัติไปแล้วก็ไปถึงตรงนั้นตรงนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าในทางสายของเราเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติทำเนี่ยประสบการณ์ที่รู้จำรือบองก็คือเป็นประสบการณ์ที่ท่านเคยปฏิบัติมาก่อนปฏิบัติแล้เป็นแบบีเป็นแบบนี้เป็แบบปฏิบัติแล้วติดขัดแบบนี้นะให้คำว่าติดขัดหมายถึงเดินต่อไปไม่ได้นะฉะนั้นคำว่าอย่างนั้นหมายถึงปฏิบัติแล้วเนี่ย มันสามารถปฏิบัติต่อไปได้เรื่อยๆสมาบัตปฏิบัติต่อไปได้เรื่อยๆไม่ได้หมายถึงยกมือไปได้เรื่อยๆนั้นแตหมายถึงว่าเราสามารถที่จะก้าวหน้นาอนการเช่อไหมครับไม่ติดอยู่ตรงไหนตรงไหนบางทีทันทศาสตรปฏิบัติก็ราารถถเรียกว่าติดอารมณ์เช่อไหมครับตรงนีาติดอารมณ์มันหมายว่าอารมณ์เราไปชอบไปทาำอะไรสักอย่างมันก็จะไปวนเวียนอยู่กในๆๆตรงนั้นเช่อไหมครับหาคําตอบหาทางแก้ไขอยู่ตรงนั้นเราก็จะไปต่อไม่ได้ดังนั้นนนคือตรเนี้ น, นะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะว่า เวลาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราต้องเหมือนกันว่าถ้าเกิดติดสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับในความรู้สึกว่ของหาทางของไม่ได้ก็หาครูบาอจารย์ถามดูนะครับอย่างเงี้ย<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเราไปได้เรื่อย ๆ, ๆก็คือไม่ติดชอบอะไรไม่ติดช่งอะไรยแล้วเราก็ปฏิบัติได้กลับมารู้สึกตัวได้ตลอดเ ม, ามาื่อวานที่อาจารย์น้เท่นทที่เามื่อวานนี้หรือเม่ชาช้าไม่จับได้หรอเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้เทนะ่น ลงพ่อพันนะครับเมื่อวานนี้พ่อเปียนเป็นเมื่อช้าไปจะโน้มแบบว่าหลวงพ่อคงเขียนนะครับจะพูดเอาไว้คำหนึ่งคือการกลับมารู้สึกตัวแล้วยังถือเป็นที่สุดนะไม่ว่าจะจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยกลับมารู้สึกตัวแล้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวนะอุปสรรคปากน้ําการตึงการขัดอะไรเนี่ยจะไม่มีน้ครับแล้วนั่นคือตรงนี้เวลาเรารู้กลับมารู้สึกตัว สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจของเราเนี่ยจะลุดจะพ้นนะครับจากบวงต่างๆบ่วงของกิเลสก็ดีอะไรก็ดีอะไรเนี่ยนะครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเมื่อจิตใจของเราลุดเราพ้นมาจิตใจของเราก็ปลอดปร่งร่งบังนะครับอย่างนั้นนี่คำถามนันมาอีกใช่ ถ้าเราดูตัวนนะใครใครตั้งฟังีฉยๆเราถึงรู้ว่าเข้าใจดีกว่ า, <c oughs> าก็จะทำแบบนั้นใครเรียกว่าเออฟังไปด้วยย่อมือไปด้วย <c oughs> ก็เข้าใจอยู่ <c oughs> ก็เข้าได้ไม่ไม่ไม่ว่าผิดถูกอะไรนะแต่ก็แต่ถ้าใหม่ ๆ, ม ๆ, มๆมเราจะมันก็จะแนะนำว่าถ้าเพิ่เรียนใหม่ๆๆก็ อาจจะยังไม่เข้าใจหลักในการปฏิบัติก็อยา ง, งให้ฟัง ใ, ให้เข้าใจหลักเป็นหลักก่อนเพราะว่าเหมือนจะาเราเข้าใจหลักแล้ว เ, เราจะมีเวลาอิ่ดอิ่ดไหลชั่วโมงเวลาที่เราไปแบบ น, นี้นะักก็จะเที่ยงชั่วโมงแล้วที่เราได้ปฏิบัติเองก็จะเยอะกว่าเพราถ้าเราฟังเพื่อที่จับหลักที่ได้แล้วก็เาอาไปทำํำนกะ็จดนะดีแต่ถ้าหลักควนเก่าที่ พอเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วเขาอาจจะอยากนักตัวรู้เป็นหลักแล้วก็การฟังข้อที่จริงถ้าเรื่องไหนที่มันมันเต็มเตมมันโดนใจเขาก็จะเก็บเก็บบางเรื่องที่เข้าใจแล้วหรือบางเรื่องผ่านๆไปก็อาจจะรู้สึกตัวเป็นหลักตรงนนีะ้ไม่เอาการฟังเป็นหลักก็ อ, อยากให้ให้สบายใจเอาเลยก็ได้ที่จริง เพราะว่าถ้าเราฟังเราก็เกิดความรู้นะแต่ถ้าเราปฏิบัติเราก็เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นแต่ถ้าสมัยพุทธกาลบางคนก็หรือแม่หมาแม้แต่สมัยนี้เองก็ดีเราก็สามารถทํำได้นะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนะทําไมสมัยก่อนฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนมันรู้ทได้เลยเพราะที่จริงคือฟังไปแล้วมัน เกิดเห็นภาพประมาณว่าเห็นภาพสิ่งที่พระท่านแสดงต้อเหมือนสิที่อาการที่ในในกายใ น, ในใจของเรามีคือฟังไปแล้วก็เหมือนปฏิบัติเป็นทําเตรพร้อมนะมันเห็นมันเห็นเข้าในใ น, ในกายใ น, ในใจของเราเป็นอย่างนั้นจริงจริงพระท่าสอนเรงความไม่เที่งยงก็เห็นความไม่เที่ยงที่มันแสดงในใจิต ใ, ในใจของเร า, าจริงๆนะเห็นความเป็นทุกข์ เห็นทางออกจากทุกเราก็เห็นจริงๆนะคือเราตามเห็นนะตามเห็นอย่างที่โยมถามเรื่องบางทีเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างแต่ตรงนี้กายอยากบ้างกายลด้เห็นบ้างคือถ้าเรามีสตินอกจากเราจะเห็นกายที่เคลื่อนไหวเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายบางทีถ้าสติเรา พอหรือบางทีเราเคยพิจารณาที่เราจะเห็นกายในกายที่ละเยขึ้นไปอีกเช่นที่เราไปสรวจเงินเชิญไปพิจาณาอาหารตอนเช้าเราต้อเห็นกายเราเป็นเป็นธาตุธาตุที่มาประกอบกันมันก็เป็นเป็นกายที่มาละเอียดขึ้นมาเหมือนกับอาคารนะเราเห็นเป็นรูปอาคารนะแต่จริงมันกคือปูนคืออิฐคือทรายคือน้ำ คือส่วนประกอบต่งางๆที่มาประกอบกันเป็นทางคานนี้แน่นเราจะเห็นว่าที่จริงตัวคานนี้ตืที่มันมันถูกก่อสร้างขึ้นมาร่างกายเราเองก็เหมือนกันก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเป็นธาตุเรจะเห็นลึกไปขนาดนั้นก็ได้หรือเราจะเห็นโดยสภาวะธรรมนะไม่ว่าจะเป็นกายของเราเองก็ดีอาคารนี้ก็ดีต้นไม้ก็ดี ตัดต่างๆก็ดีก็ตกอยู่ในความเป็นเป็นทุกนะอย่างที่พู้สัญชาติว่าทุกที่ต้องเกิดต้อแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเปลี่ยนแปลงต้องบังคับบังคับสัญชาติไม่ได้มันเป็นไปตามกนของมันพอเราเห็นกันเข้าใจว่ามัน่จริงเออตายของเราก็เป็นแบบนี้อาการนี้ก็เป็นแบบนี้ต้นไม้ก็เป็นแบบนี้หรือเราได้ เราเห็นกายอื่นนะตายโดยภายนอกอาจจะไม่แช่แค่ขิวเนื้อของเรานะภานอกตายภายนอกก็คือเช่นเห็นคนอื่นก็าเจ็บเห็นคนอื่นเขต า, ายเราย้อนกลับมาเห็นตัวเองก็จะเป็นเช่นนั้นมันย้อนก็เข้ามาดูตัวเองมันก็โมคือถ้าเห็นแล้วมันเป็นใช้มันย้อนกลับมาเห็นตัวเองแล้วก็โกงไดห้หรือว่าเข้าใจ ความเป็นจริงที่สแสดงสแสดงความจริงให้เห็นได้มันก็จะเกิดการยอมรับยอมรับแล้วก็ปล่อยวางแม้วันที่ตอนนั้นเรายังไม่ตายแต่เราเห็นคนถึงนเขาตายแต่ตแก็ยอมรับจะทาตรงนั้นได้ใจแล้วก็ปล่อยวางได้ประมาณนะั้นคือแต่พวกนี้มันก็มันก็ส่วนหนึ่งก็เราก็เคยได้กินได้ฟังมาส่วนหนึ่งเราเคยได้ปฏิบัติ ได้เห็นบางส่วนที่มันใกล้เคียงตรง น, นั้นบ้างแล้วก็มันพร้อมมันไปเจอจุดที่มันจะสะดุดจุดที่มันจะเกิดความเข้าใจมันก็จะเรค่อยพัฒนาไปมันนั่นคือการเกียนจะทําให้เราเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นครนับกัรฟังก็เป็นส่วนประกอบก็อย่างที่ว่าบางทีเราได้ฟังแล้วมันยังไม่เข้าใจตอนนี้หลักบางเรื่องนะบางเรื่องก็พอเข้าใจแต่ให ปฏิบัติอาจารย์ที่าจารย์ทุกบอย่างก็ต้องปไหนการปฏิบัติค่อยเข้าใจมากขึ้นหรือบางทีการสอนครูบาอาจารย์บางทีตอนที่เราติดอารมณ์เราทุกข์มากๆนะบางทีมันก็จะกลับมาสอนเราให้ให้เรา เ, ออเห็นความจริงว่าเป็นแบบนี้นัะ ก็ค่อยๆดูไปนะบางมีมันก็เอาดักสำคันก็คือว่าปัจจาอยู่กับปัจจันนะใจไปคิดอดีตใจไปคิดอนาคตนะ กลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่กลับมาอยู่ยกับปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าเช่นปัจจุบันเรากำลังทุกข์ปวดขาใจก็เราก็อยู่กับการปวดขานั่นไม่ใช่นะพอปัจจุบันก็คือเห็นว่าปวนขาเป็นอาการอย่างหนึ่งของของร่างกายใจก็ส่วนหนึ่งนะนะปวนขาก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งรักใครตาก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่ง เรสังเกตแต่ถ้าเราเอาไปผสมกัน่ะเราก็จะกลายเป็นผู้ปวนกลายเป็นผู่้ตือนกลายเป็นผู้เก็บแบบนี้นะเราก็ตูโนแยกออกมามันแยกไม่ได้ก็ใช้วิธีเหมือนถ้าเราพอเรากลับมารู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ที่รู้สึกตัวนั้นใหญ่ก็เป็นปกติแต่ตอนตอนที่เราดื่มตัวใจเราก็เลยคิด วิษกกังวลใจก็เลยไปอยู่กับความปวดอันนี้คือลองถอนมานะก mm hmm. ารมีสติเป็นทั้งให้เราได้ค่อยถอนออกมาแม้ถอนออกมาแล้วอาจจะเป็นอีกก็ไม่เป็นไร น, นะก็เป็นธรรมชาตินะบางทีเราก็จะไม่ชอบนะบางทีถ้าเรื่องใดคิดบนคิดซ้ไหลายรอบทำไมไม่จบสักทีนะเราก็จะรู้สึกแบบ <c oughs> ไ, ไม่พอใจใช่ไห แต่จริงก็เป็นธรรมชาติถ้าจิตมั น, นยังติดอยู่กับอารมณ์ในสารมณ์หนึง่งมากๆ ม, มันก็เลยวนตามแบบนั้นนะ่ะบ่อยๆแต่อย่างน้อยถ้าเรามีสติอย่างน้อยการวนมันจะไม่ยาวนะมันจะไม่ยาวมากแต่ก่อนต้องเหมือนเราดูเหมือนเราฟังเพล ง, งเพลนะาางเนี่ยนะแต่ชอบมันมากเนี่ยเราก็ฟังไม่รู้กี่กี่รอบแนละ้วเนาะกี่รอบยี่สิบรอ บ, อบไม่เบื่อสักที แต่พอเริ่มเบื่อแล้วนะเรอเหนึ่งพอแล้วยจะมีรอบที่สองนะใช่ไหมมันก็มันก็จ ะ, ะไม่ไม่ไม่บดต่อจิตของเราต้องเหมือนกันต่อเมื่อมันมันอิ่มหรือว่ามันพอกับอารมณ์มันก็จะค่อยๆลดลงมันเองแต่หน้าที่เราก็เหมือ น, ในใคล้ายๆทีจริงเราหลงไปชอบเป็นชังว่พาพอเราตื่ตัวเราก็จะกลับมาได้ของมันเองนะมันก็เป็นธรรมชาติแบนี้ ให้เราใช้ฝึกอย่างที่บอกกลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวนอกจากว่างานบางางานเราก็ต้องตั้งใจคิดถึงอดีตก็มีนะตั้งใจทบทวนบทเรียนพอดบทเรียนหรืบอรบางทีเราเล่าเรื่องอดีตเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ใครฟังอันนั้นคือเราก็ย้อนกลับไปเพื่อตั้งใจนะตั้งใจที่จะทบทวนตั้งใจที่จะพูดก็ได้ แต่เราตั้งใจที่จะทำงานเราก็ตั้งใจวางแผนวางแผนในสัปดาห์หน้าวางแผนในปีหน้าอะไรเนี้ยแราก็วางแผนได้คือเราเอาดึงดึงอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันดึงอดีตมาอยู่ที่ปัจจุบันแต่ดึงเพื่อมาทำงานนะไม่ใช่ดึงเพื่อให้มันมาใช้ให้เราทุกข์สุขหรือว่าน่ยกังวลมือนที่ตกอะไรนี้ะเราดึงก็มาใช้ สติจะทำหน้าที่เหมือนจิตผู้ใช้เขานถ้าเราใช้เขาเราจะวางจิแต่ถ้าเราถูกเขาใช้เราจะวางไม่เป็นนะเราจะวางไม่เป็นเมื่อเราคิดไปแล้วมันก็จะทุกข์มากหรือว่าพิสตศกังวลมากหรือว่าปวนเวียนซำมากนะแต่ถ้าเราใช้เขาก็จะวางเป็นนะหรือมันยังวนกันมาอีกแล้วก็วางมันใหม่อย่างเงี้ยในสติ แต่ทําหน้าที่ตอนนี้มันจะทําให้เวลาเราไปทําการทํางานเราก็รู้ทันอยู่นี้แหละนะมันไม่ใช่ว่าสมมติเราเราคิมคอมพิวเตอร์แล้วมาทีจิตเราจะโยูการสิ่งที่พิมตลอดบางทีก็ไม่ใช่หรอกแต่บทีพอเราคลิมไปเราตั้งใจทํางานนะเราต้องใจคลิมงานพอจิตบิแว๊บคิดถึงเรื่องเรื่องที่บ้านอเรารู้ทันสติจะคอยเตือนกันนะ เมื่อเราอยู่กับการคิดพอติพอกินมันแลกถึงเรื่องงานเรื่องที่บ้านเนี่ยสติ เ, เตือนไหลไปแล้วพอมันเตือนเราก็จะกลับมาเดจองานที่ทำแต่ถ้ามันเตือนแล้วเราไม่ทันมันนะเราก็จะไหลไปต่อเราก็จะไม่สนใจงานอาจจะวางการคิดไปคิดตรงนั้นเลย อ, อันนี้คือเหมือนกันบางทีเราทํางานผ่านการอะไรเนาะไม่ใช่ว่าจิตมันจะอยู่แบบ ตรงนั้นตลอดแบบแต่พอไลไปแล้วสติจะเปนคนคอยเตือนเตนือนให้เรากลับมาให้ได้นะเราก็ทำตรงนี้แหละมันไม่ใช่ว่าจิตเราจะนิ่งตลอดแต่เราจะรู้ทันเวลามันไม่นิ่งจิตมันจะมีอารมณ์บ้างก็ธรรมดานะเพราะว่าเราจะมีเรว่ามีสัญญานะมีสัญญามีความรู้สึก ไม่แต่จิตไม่แต่จิตพระอรหันต์ก็ยังมีความรู้สึกนะมีสัญญา